อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยคะ่ะในรายการธรรมารับอรุณซึ่งมีเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำหลังจากเบิร์สถานีเลยนะคะก็คือตั้งแต่เวลาตี5ถึงตี5ครึ่งค่ะซึ่งในระยะ ที่ผ่านมานี้นะคะองปาถกประจารายการของรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คือท่านพระอาจารย์ภั ย, ยบุญอภิพุนโนค่ะท่านเป็นผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเรียกว่าีกเล้นตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิโทภโสหรือท่านพระครูสิทธิพัพาการท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนายโศกค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากมายทั่วประเทศแล้วก็ยังในต่างประเทศอีกนะคะค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่29มกราคมเป็นวันขึ้น6ค่ําเดือนสา ปีมะโรงนะคะซึ่งในเช้าวันนี้นี่ก็ข อ, อนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้มสักการมาสากระชาหรือสนทนาธรรมะที่น่าสนใจกับท่านพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโน ประเดชพระคุณพระอาจารย์ประจำรายการของเรากันเลยนะคะกลาบน้ำส ก, ก า, า, า, านเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรสาธุเจ้าค่ะก่อนอื่นยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าคะเห็นว่าพระอาจารย์มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการธรรม ะ, อะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้พระอาจารย์ก็ได้รับนิมนต์ที่จะให เรียกว่าไปไปเทศเป็นภาษาอังกฤษ ใ, ในภาคทางต่างประเทศของเราด้วยอันนี้กราบา น, นิมนต์พระอาจารย์ที่จะได้จีแฉงให้ท่านมาฟังได้รับทราบเป็นลําดับแรกก่อนเจ้าค่ ะ, ะก็คือาคทางเรเดียลไทยแลนดะ์หรือว่าสปทาภาพภาษาอังกฤษนะเจ้าค่ะเขามีช่วงเวลาที่พูดถึงรายการธรรมะอยูนะ่ก็จะเป็นทุกวันอาทิตย์จริงๆเขาจะมีรายการทุกอาทิตย์อยู่แล้วตอน8โมงหลังเคารพธงชาติมาตอน8โมงเช้าวันอาทิตย์ ซึ่งในในรายการนี้ก็คือรายการชื่อว่า Sunday Dhamma Talk ซึ่งคุณมาก็จะไปเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์ที่5ของทุกเดือนแล้วก็ท่านผู้ฟังที่พอจะรับฟังภาพภาษาอังกฤษได้ก็อาจจะลองไปฟังดู จ, จะได้แง่มุมอื่นๆเพราะว่าตัวตัวเราเองเนี่ยตัวธารมาเองเนี่ยตอนแรกที่เรามาศึกษาคาสอนพระเจ้าเนี่ยนะ เราอ่านสิ่งที่เป็นพุทธภานะ์เราก็เข้าใจระดับหนึ่งเพร่ะพอเราไปอ่านภาษาอังกฤษกุนิใจ <c oughs> เราพบว่าความเข้าใจมันเพิ่มขึ้นมากะะาะว่าสับแสงอะไรต่างๆบางทีเขาก็ใช้ไม่เหมือนกันนะทำให้เราเข้าใจไปอีกแง่มุมหนึ่งในบางทีรากศัพท์เนี่ย อย่างคำว่าชาันหนึ่งอย่างเงี้ยสมาธิระดับที่หนึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า s ิงห์คลูคือสังัดใช่ไหม <จ uk S 1> สังัดภาษาไทยเราก็สังกัดสงัดนะสงัดเงียบใช่ไหมสงัดจากกศศศศศศารมสังกัดจากอกุศลรดำทั้งหลายเนี่ย <จ uk S 1> แต่ภาษาอังกฤษ <จ uk S 1> คําว่าสังัดของเขาเนี่ยเขาเป็นรากศัพท์ของมาจากพวกมแมลงนะว่าสังัดถึงขนาดว่าแม้ตอนกลางคืนเสียงแมลงหิ่งห้อยอะไรต่างๆไม่ได้ยินเลยถึงขนาดนั้นทำให้เราเข้าใจว่าโอ้โหแค่คำว่าสังัดเนี่ยนะมันมีแง่มุมที่เรียกว่า เงียบสงัดจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมขนาด น, นั้นเลยอันนี้คือประเด็นที่ได้จากการที่เราได้ไปฟังธรรมะในภาษาอื่นๆบ้างจากรูปแบบอื่นๆบ้างอย่างเงี้ยนะก็คิดว่ามีประโยชน์จึงคิดว่าจะชักชวนท่านผู้ฟังถ้าพอฟังได้ก็ไปฟังกันนะทุกๆวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง8โมงครึง่งคร่งช่วโมแล้วก็ของอาตมาก็จะมาทุกสัปดาห์ที่3และ5 ในสดานห์อื่นก็จะมีท่านอาจารย์ท่านอนื่นๆมาเป็นองค์บาถกประจำรายการอยู่เหมือนกัน อันนั้นก็เชิญท่านผู้ฟังได้ตามไปฟังพระอาจารย์ของเรานะคะคือพระอาจารย์ภัยบุตญอภิปุโ น, โนได้สนทนาธรรมผ้ภาภาษาอังกฤษกันและถ้าหากว่าท่านมีเพื่อนฝูงที่เป็นชาวต่างประเทศก็ขอเชิญให้เขาติดตามรับฟังกันได้นะคะอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดําเนินการมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนั้นได้ มีความรู้รึกซึ้งได้สามารถเข้าใจถึงพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำไปดัดแปลงใช้กับชีวิตประจำวันของท่านให้ได้มีสุขกันทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ตามนะคะค่ะสำหรับ การกล่นในวันนี้ก็คงจะทำให้ท่านได้ตามรรบฟังนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเวลา8โมงถึง8โมงครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีหลายคลื่นด้วยกันนะคะก็ 95.5 FM 95.5 FM 88 FM 107และก็ทาง AM ก็เป็น918นะคะก็ตามรรบฟังกันได้ค่ะ8โมงเช้าของวันนี้นะคะก็รินเชญชวนค่ะ ค่ทฟังคะเมื่อวานเนี่ยนได้ได้สนทนาหรือว่าสักฉากับท่านพระอาจารย์ไพบุญ อ, อภิปุโนพระอาจารย์ของเรานะคะ <Jamie. S 1> เกี่ยวกับเรื่องการที่การทาจิตอะไรต่างๆที่คุณอรงศรีบุญเรืองได้เขียนถามมาจากจังหวัดชุมพร ตอนนี้ถ้าท่านได้ตามรรบฟังเมื่อวานนี้ดิฉันคิดว่าอาจะมีหลายท่านจำได้ว่าสิ่งที่พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนท่านได้กรุณาเมตตาที่จะสากขะฉามาก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องทำจิตของเราฝึกจิตของเราให้ละเอียดลงไปเกิดความนิ่ง นะคะก็คือหมายถึงว่าบังคับจิตได้ถ้าหากว่าเราสามารถบังคับจิตของเราได้ไม่ให้ไหลไปตามภาษะที่เข้าม า, ากระทบเราได้นั้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้เรานั้นเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนนิ่งอยู่แล้วก็มีสุขได้ในใน ท, ที่ทุกสถานการทุกเมื่ อ, อแต่ตอนนีน้ก็คิดว่ามีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อยากจะในมุมย้อนกลับนะคะว่าสําหรับ คนที่โดนคนอื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เ <c oughs> จ้จาค่ะ <c oughs> ที่เขามาจิตเรียกว่ายังไม่ได้ฝึกมานะเจ้าค่ะ <c oughs> นิดนึงก็ ก็ยีขึ้นมาโมโหหรือว่าด่าว่าอะไรอย่างนี้โดยที่เขาอาจจะไม่เจตนาแต่ว่าอาจจะเป็นเป็นนิสัยของเขาอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ อ, อ, อันนี้โยมก็เลยอยากจะถามแทนท่านผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งอาจจะโชคไม่ค่อยดีนะเจ้าค่ะมีเจ้านายหรือว่ามีหัวหน้าที่เขามีอารมณ์มากๆแบบ น, นี้เจ้าค่ะแล้วทีวนี้สําหรับลูกน้องนี่ควรจะทําใจยังไงให้ยอมรับได้เพราะว่าอาจจะ ทํางานอย่างเป็นสุขอยู่ได้นิยมคิดว่าเรื่องของใจก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะเจ้าคะ่ะขอกราบในมนฑ์เจ้าคะ่ะที่คุณเตนใจพูดมาก่อนหน้านั้นว่าพูดถึงการฝึกจิตต่างๆนี่นะแม่ถูกหมดเลย <c oughs> ถูกมาเลยตรงประเด็นที่ว่าจิตที่ฝึกแล้วนจะนําสุขมาให้เราต้องฝึกจิตใครไม่ฝึกช่างหัวมันเราจะฝึกนะฝึกแล้วเราจะจิตเราจะเป็นจิตที่ดีโดยการที่ไม่ให้ไหลไปตามในลักษณะนั้นแล้วทีนี้ว่าไอคนที่ฝึกจิตแล้วเนี่ย จะไปจัดการกับคนที่ไม่ฝึกจิตยังไงเจ้าค่ะโดยบางิีถ้าเขามีอํานาจเหนือเราเจ้าค่ะเช่นเป็นพ่อเป็นแม่คือพ่อแม่บางคนก็ก็เลี้ยงลูกมาล่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในศีนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมลูกพอมารู้ธรรมะฟังธรรมะแล้วโอ๊ยทําไมพ่อแม่ฉันเป็นอย่างนี้ด่าว่าพ่อแม่อันนี้ไม่ถูกเจ้าค่ะหรือว่าเจ้านายเจ้านายเราทําไมเป็นอย่างนี้ด่าว่าเราเราก็ด่าเขาตอบอันนี้ก็ยังไม่ถูกเจ้าค่ะทีนี้เราจะจัดการกับบุคคลพวกนี้อย่างไงในความเห็นของอรรมาก่อนนะเจ้าค่ะคือถ้า ถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปเลยแตถ้าเขามาด่าเราเราอดทนกลับไปเลยคือตอบกลับด้วยความอดทนนะอืมเจ้าค่ะเขามาว่าเราหรอเราตอบกลับด้วยความเมตตาเจ้าค่นะเขามาเขาเรียกว่าแร้งเราใช่ไหมเราออตอบกลับด้วยความไม่เบียดเบียนอย่างนี้นะคือเราก็ตอบกลับด้วยความที่รักใคร่เอ็นดูถ้าเราตอบกลับอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นการตอบกลับนะไม่ใช่ว่าเราอยู่นิ่ง คือคนนิ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยกับคนตอบกลับด้วยความอดทนเนี่ยไม่เหมือนกันจ้าค่ะคือสมมุติบางคนเขาอาจจะเห็นว่าไอ้เธอนิ่งอยู่เนี่ยเพราะโง่หรือว่าเพราะว่าไม่รู้จะตอบกลับว่าอะไรอันนี้อันที่หนึ่งหรือว่าเพราะกลัวกันแน่บางคนเนี่ยเอ่อไม่เรียกว่ากลัวเจ้านายกลัวพ่อแม่หรือว่ากลัวคนนู้นคนนี้เขาจะโกรธเราก็เลยไม่ตอบกลับใช่ไหมเจ้าค่ะหรืออีกคนหนึ่งเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะตอบอะไรแล้วก็เลยไม่ตอบซึ่งไม่ใช่ทั้งสองอย่างจ้าค่ะแต่เราตอบกลับเนี่ย เราตอบกลับไปด้วยความอดทนนะเราตอบกลับไปด้วยความที่ไม่เบียดเบียนะเราตอบกลับไปด้วยความที่มีเมตตาจิตมีรักใคเอ็นดนะูคนที่มีความเมตตาเนี่ยนะคุณตือนใจแม้มนุษย์เนี่ยก็จะเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอามนุษย์ ค, นะคือถ้าเขามาโกรธราวดา่าเราว่าเราทั้งที่เราไม่ได้ทําเนี่ยเราแผ่เมตตาให้เขาเลยแผ่เมตตาให้เขาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งนั้นเนี่ย ก็จะไม่เป็นอันตรายกับเรา <Okay. S 2> คือแคล้วคลาดกับเราไปได้จ้าค <Okay. S 2> ่ะนีอันนี้เห็นได้หลายครั้งหลายครา ม, มีลูกศิษย์หลายๆท่านมากเลยอย่างน้อยสิบกว่าท่านเนี่ยที่เคยมาสื่อสารกัอาจารยมานะเจ้าค่ะเจ้านายนี่โอ้โหไม่รู้มาจากขุมไหนอะ่ะ <Okay. S 2> แล้วก็โอ้ลูกน้องนี่ก็ทนไม่ไหว <Okay. S 2> ทำยังไงดีรุมกันเลยรุมแผลไม่ตายให้เจ้านายแล <Okay. S 2> ้นปรากฏว่าภายในอาทิตย์หนึ่งเท่านั้นเอง จากที่เหตุการณ์เดิมๆที่เจ้านายจะต้องวีนขึ้นมาแล้วด่าคนลุกจนตัวสั่นเนี่ยเขาก็ไม่ด่ายอย่างนั้นแต่<ด> ค, คือเขายังโกรธอยู่น ะ, ะยังโกรธเพิ่มๆอยู่แต่ว่าไม่ด่าถึงขนาด น, นั้นเออเห็นความเปลี่ยนแปลงอนะคือจิตที่ถูกต้องด้วยกระแสความรักความเมตตาแล้วเนี่ยจะน้อมไปเพื่อกุศลธรรมนะเราเองคนที่มีความรักความเมตตาเนี่ยก็จะเป็นที่รักของพวกมนุษย์ทั้งหลายาไม่ต้องพูดถึงพวกมนุษย์เลยพวกมนุษย์ก็ยังเป็นรักเรา S <S นะมนุษยก็รักเรามนุษยก็รักเราอนอนก็ไม่ฝันร้ายตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเข้าสมาธิก็ง่าย <S <S นะแล้วก็ไอ้พวกยาพิษสตราะอะไรต่างๆก็จะแคลวคลาดจากเราไปได้ <S <S อย่างบางคนถูกเพื่อนแกล่ะนะก็อเอาตะปูไอ้วางไว้ ท, ที่ที่นั่งอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นสตราอาวุธใช่ไห <S <S น, นียกตัวอย่างเฉยๆนะว่าคนที่มีเมตตาอย่างเงี้ย บางทีจังหวะที่เราจะนั่งลงไปตะปูมันจะตามก้นเราเนี่ยอาจจะมีลมพัดหรืออะไรคนอื่นมาแย่งนั่งทําให้เขายี่ตกเราก็จะแคล้วคลาดไปได้แล<ร>้วสถานะพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาอยู่บ่อยๆเนี่ยดีมากๆนะพระเจ้าเปรียบเทียบกับเหมือนกับบ่อ น, น้ําแอ่งน้ําเนี่ยอยู่ตัวอย่างแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างเงี้ยหรือแม่น้ําโขงอย่างเงี้ยนะมีน้ำมากจริงๆนะถ้าใครจะเอาไไม้ขีดหรือว่าไฟแช็กเนี่ยมาจุดให้เดือดพร่านร้อนจัดเป็นฟองๆขึ้นมาเนี่ยเขาทําไม่ได้ คือมันไม่มีทางเป็นไปได้โดยน ะ, ะต่อให้คุณเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาไม่ไม่ขีดมาสักกูรุษหนึ่งอ่ะก็ทําให้แม่น้ําเจ้าพยาหรือว่าแม่น้ําโขงเนี่ยแม่น้ําคงคาเนี่ยเดือดพ ร, รนร้อนจัดขึ้นมาไม่ได้ะนะจิต ท, ที่มีเมตตาก็อย่างนั้นเหมือนกันแต่ทำไมบางทีเรารู้สึกโกรธแสดงว่าคุณยังเจริญไม่ไมพอพระเจ้าบอกว่าต้องทําไว้ก่อนนะต้องทําให้เป็นสิ่งที่มาก่อนนั่นะคือเราเราเตรียมไว้ก่อนแล้วนะเราเตรียมน้ําไว้ก่อนแล้ว พอไฟเกิดขึ้นปุ๊บเราดับได้ทันอืเจ้านะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้ําเยอะๆเนี่ยคือเรามีบุญเยอะๆเรามีเมตตาเยอะๆมีอะไรมากระทบเนี่ยเราก็จะพอที่จะก็เรียกว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ยังเย็นอยู่ได้ยังนิ่งอยู่ได้เรื่องนี้พระเจ้าเคยเคยบอกไว้นะว่าคนที่ยังอ่อนน้อมอยู่ได้คนที่ยังนิ่งอยู่ได้เนี่ยเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่เนี่ยเช่นว่าเจ้านายเขาให้เงินคุณชใช่ไหมเขาจ้างคุณใช่ไหม คุณก็พูดดี ๆ, ๆกับเขาใช่ไหมพอเขาเขาเขาเริ่มกโกรธคุณเนี่ยเขาเริ่มด่าคุณเนี่ยเราเริ่มก็จะเริ่มสวนกลับบ้างแหละแสดงว่าคุณไม่อ่อนน้อมจริงอ<ม>คุณอ่อนน้อมเนี่ยเพราะเห็นแต่งปัจจัยสีเท่านั้นเองแต่ถ้าผู้ใดนะถูกวาจาที่เขาเรียกว่าอยาบคายร้ายกาศมากระทบเข้าให้แล้วถูกสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบเข้าให้แล้วเนี่ยยังเป็นผู้ที่อ่อนน้อมอยู่ได้ยังเป็นผู้ที่เยือกเย็นอยู่ได้เนี่ยนั่นคือผู้ที่อ่อนน้อมจริงเยือกเย็นจริง อันนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าเรานี้ก็ยังฝึกปฏิจจิตไม่พอใช่ค่ะยังแสดงให้เห็นด้วยว่าเราเนี่ยก็ยังมีที่ที่จะทำให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปได้เออคือเราไม่มีอย่างที่ว่าเนี่ยว่าเราไม่มีเหตุผลที่จะโกรธใครในโลกจริงๆเพราะว่าเขาเขาทำเราเนี่ยนะก็ด้วยความที่เขาไม่รู้แต่มเขาไม่รู้ว่าเวลาโกรธแล้วเนี่ยตัวเองก็ไหม้ไปด้วยเจ้าค่ะอย่างลูกระเบิดอ่ะเวลามันระเบิดแล้วเนี่ยน ะ, นนะนนะตัวมันเองก็หาไม่เจอเจ้าค่ ะ, คะมันมันมันแตกไปด้วยแล้ว น่นคือระเบิดตุ้มเนี่ยทุกอย่างระเบิดเละหมดตัวเองก็แหลกเละไปด้วยโดนทำลายไปด้วยนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยเรื่องของความโกรธแต่ที่เขาทำเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองชั้นผิวก็จะซามลงจิตชั้นก็จะไหม้ไปแล้วความดีชั้นก็เสื่อมไปคนก็จะไม่รักคนที่อยู่ใกล้ๆก็จะได้รับแต่กระแสนความโกรธมันไม่เห็นมีข้อดีซักอย่างเลยนะคะน่ะมีข้อมีแต่ข้อเสียอย่างนี้ยังทําอยู่อีกหรอแสดงว่าคุณไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ ในการที่ไม่ฉลาดตรงนี้แล้วทํายังไงอ่ะคือของที่มันเละเละคือสมมุติว่าถ้าเราเราแต่งตัวดีๆแล้วเนี่ยนะเจ้า ค, คุณจะไปงานเขาเรียกว่างานอะไรสมมสรสันนิบาตหรือว่างานงานใหญ่โตคุณแต่งตัวดีๆแล้วอย่างเงี้ยอะไรที่เวลาขับรถเข้าไปในที่ที่มันเละเละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไปเจ้าาค่ะ่ะอเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยไปยุ่งกับคนที่เขาไม่ดีไม่ดีแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราต้องต้องอยู่ที่บ้านนี่แหละเจ้าค่ะต้องรักษาจิตของเรา ให้ให้มั่นคงเลยทีเดียวนะสวนเข้ากลับไปเลยด้วยความอดทนสวนเข้ากลับไปเลยด้วยความที่มีเมตตาไม่เบียดเบียนรักใครเอ็นดูเราจะเราจะช่วยแก้สถานการณ์ได้คือถ้าเราเห็นปัญหาคุณสนใจคือในสนักงานในที่บ้านในที่ชุมชนยังไงมันมีปัญหาแน่ละมีทุกที่นะมีะทุกที่เลยถ้าที่ไหนมีคนเกินสองคนนะก็มีปัญหาน ะ, ยะอย่างวัดเนี่ยคิดว่าพระเนี่ยแต่ละรูปแต่ละองค์ก็ดีหมดน ะ, ะแต่ก็ยังมีปัญหานะ ปัญ<บ>หาว่าตื่นเช้ชามาคุณต้องไปบินตาบาทเสร็จแล้วต้องมากินข้าวข้อห้องน้ำแค่นี้ก็เป็นปัญหาของเรา <Hungarian S 2> ่ะแหละที่เราจะต้องจัดการตัวเราเองใช่ไหมซึ่งซึ่งปัญหาตรงนี้ถ้าเราเห็นปัญหาแล้วแล้วคุณไม่ทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งเนี่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเจ้าค่ะก็เรียกว่าคุณคุณไม่ได้เรื่องคุณคุณไม่ทําอะไรอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าคุณเห็นปัญหาแล้วแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นปัญหานะคือบางคนเห็นปัญหาแล้วก็เห็นสิ่งเนี้ยก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นปัญหาแล<ช>้วก็จมปลักอยู่กับมันนนนะะอัี้แยมาก แต่ถ้าเราเห็นปัญหาแล้วคุณรู้ว่านี่เป็นปัญหาแล้วแต่คุณไม่แก้อันนี้ก็แยกแย่แต่ว่าดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วถ้าคุณเห็นปัญหารู้ว่านี่เป็นปัญหาแล้วคุณแก้ไขแหมนี่เยี่ยมนะแก้ไขยังไงล่ะเราก็สร้างสิ่งไว้ล้อมให้ให้มันดีคุนอื่นไม่ทําใช่ไหมไม่เป็นไรฉันจะทําคุนอื่นมันทําชั่วหมดใช่ไหมไม่เป็นไรฉันจะทําดีพระเจ้าเคยพูดถึงช้างมาตังคะคือช้างเป็นช้างตัวใหญ่นะ ที่สมบูรณ์ด้วยกําลังสีผิวอะไรต่างๆเนี่ยช้างมาตังค่าเนี่ยก็เวลาอยู่กับฝูงใช่ไหมก็จะมีช้างพังช้างพลายช้างเล็กแม่ช้างลูกช้างอะไรต่างๆเนี่ยมันมากินก็เรียกว่ากินต้นไม้กินอะไรเนี่ยฉากินไม้ก่อนบ้างลงน้ําก่อนบ้างทําให้น้ําขุ่นบ้างเล่นกันเอิ๊กอากเอิ๊กอัโอ้ยมันน่าทาคานเชียค่ะเนาะเราอยากจะอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยช้างมาตังค่าทำยังไงก็ไปองไปตัวเดียวเลยอืหนี้ปนไปเลยนะอยู่ตัวเดียว ถ้าเราดูหนังเอขอบอยหรือว่าหนังที่เขามีตัวฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะพวกเนี้ยเขาจะอยู่คนเดียวมังจะอยู่คนเดียวจะอยู่ลีกออกจากผู้ค น, นด้วยความที่ต้องการจะอยู่สงบคใครไม่ดีไม่เป็นไรเราจะทําดีนะใครชั่วไม่เป็นไรเราจะทําดีนะอย่างน้อยเ ร, เราเราดีแล้วเราก็เราก็ดีของเราอะร่ะ ใ, ใครว่าเราโง่อ่ะมันโง่กว่าจ ร, จริงจริงเพราะเขาไม่รู้ไงถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะไม่ทํา แลนะคือคนโง่เนี่ยก็ว่าคนอื่นโ ง, ง่กว่ตัวเองเท่านั้นแหละเนื้อ ใ, ใ จ, จอแต่คนฉลาดเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากคนที่โง่ได้แต่คนโง่เนี่เรียนรู้จากคนฉลาดไม่ได้นะเพราะคนโง่ก็เห็นว่าคนอื่นเขาโง่กว่าตัวเองหมด ก, ก็ปลไอยให้เขาโง่ไปแต <laughs> ่ถ้าเรามาทําความดีในะอย่างที่พุทธเจ้าสอนนะเราเป็นคนฉลาดเราเราตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะเราหาความสุขที่เกิดจากในภายในสีสันกในชีวิตของเราคือสีสันที่เกิดจากการที่เราตั้งมั่นในการที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหม อันนี้เป็นเป็นพลังที่จะเกิดขึ้นในจิตของเราเราทําตรงนี้ได้นะเราเราจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นคนอื่ น, <ๆ> น, นเป็นที่พึ่งเราไม่ได้แล้วยังไงนะเรามี smoking, พระเจ้าเป็นที่พึ่งนี่เเรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งเรามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเรามีตัวเราเองเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งเราเพึ่งได้อยู่แล้วเจ้านอะเราเราสามารถทําได้ใครจะว่าอะไรยังไงในสังคมนี้เขาก็ว่าไปได้แหละเขามีปากก็พูดไปได้เจ้าค่ะเอราก็มีจิตเราควบคุมจิตเราให้ได้เจ้าค่ะอืม ก็สิ่งที่พระอาจารย์ไพบรูนพิ่ปุณโนโดได้เมตตาสากฉามานั้นเนี่ยก็คือการที่ท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะมีหลายท่านที่อาจจะต้องมีอุปการีก็ตามหรือว่ามีหัวหน้างานอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านอาจจะอารมณ์ร้ายแล้วก็มาคอยว่าเราตลอดเวลานั้นเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำแล้วนะคะว่า อนอกจากท่านจะต้องฝึกจิตตัวเองแล้วก็ยังที่จะต้องอตอบกลับไปแต่ไม่ใช่ว่าสวนกลับไปแบบพูดว่าหรืออะไรนะคะแต่เพียงแต่ว่าตอบกลับไปด้วยความอดทนด้วยความมีเมตตาแล้วก็ด้วยความที่ว่ารักใคร่เอ็นดูแผ่เมตตาให้เขาสิ่งหนึ่งที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์ภบุญอภิปุโนได้เมตตาสากักฉามาที่เดินคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่าน ที่อาจจะเจอเจ้านายไม่ค่อยจะดีเท่าไรชอบมาดุเรานั้นเนี่ยก็เรียนแนะนําตรงนี้เลยนะคะจากรายการธรรมาราบรุนว่าช่วยกันแผ่เมตตาให้ท่านเถิดค่ะท่านอาจจะดีขึ้นนะเจ้าคะ่ะแล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระอาจารย์พิบูลพูดนั้นนะจะปรากฏออกมาได้เป็นจริงหรือไม่คือผูอ้คนข้าพเจ้าท่านนั้นอาจจะดีขึ้นอย่างปิดถูกปิดตานะเจ้าค่ะ เรื่องในสมัยพุทธกาลเราเห็นชัดเจนอย่า ง, างพระเทวทัตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอุย้ยมาคอยทำร้ายปู้ยี่ปู้ยําใส่ความยุยงให้แตกกันกับพระพุทธเจ้าทุกอย่างเจ้าค่ะพุทธเจ้าทํำยังไงก็ยังมีเมตตานะค่ะไม่ได้เรียกมาดา่าหรือไม่ไล่ไล่ให้ศึกเลยนะไม่ได้ไล่ให้พระเทวทัตสึกในตอนที่พระเทวทัตเนี่ทําไม่ดีแต่ว่าก็ยังอยู่ในธรรมวินัยนี่ยังไม่ได้ผิดศีลเจ้าค่ะยังไม่ได้มีประชิกศียังไม่ได้ผิดศีลอะไรจะไปไลใ่ให้เขาสึกก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีเมตตา มีความกรุณาที่หวังว่าให้เทวทัตเนี่ยพ้นทุกข์เพราะนั้นเราเราให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่เรียกว่าเป็นมหากตะเป็นจิตใหญ่เป็นจิตกว้างนะคนเป็นจะทํางานใหญ่ได้เนี่ยคือว่าเราเราพูดถึงพระผลนิพพานนะเจเราพูดถึงความที่สิ้นทุกโดยชอบเราพูดถึงความที่จิตของเราเนี่ยจะเป็นอรียบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคนที่จะทํางานใหญ่ได้คุณทุนต้องเป็นโจนใจกว้างใจกว้างใจมีเมตตา ใจเป็นใหญ่ใจเป็นก็เรียกว่าจิตที่เป็นเป็นที่พึ่งได้ของคนอื่นค่ะแต่เวลาใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรนะเขไม่มีที่พึ่งอะไรอย่างน้อยเขามาคุยกับเราเขาก็าสบายใจแหะเพราะว่าเรามีจิตที่เป็นเมตตาอย่างเงี้ยเราจะเป็นที่พึ่งได้เราจะเป็นคนหลักของครอบครัวได้คนหลักในสังคมได้แล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้นะคุณตนใจเหตุการณ์มันจะไม่พลิกผันยอย่งมีหลายๆคนมาคุยกับตามาเนี่ยบอกว่าโอ้พ่อแม่นี่นะ ไม่หันเข้ามาในทางศึกษาธรรมะเลย ใ, ในยังกินเหล้าเมาเบียร์หรือว่าทําอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเขาถ้าถ้าตัวเราดีแล้วเนี่ยคือตัวลูกเนี่ยถ้าลูกเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นทายาทจริจริงใช่ไหมมีความดีต่างๆมีคุณธรรมต่างๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องมาฟัง<ช>นะคือบางคนจะมีความเห็นว่าสําหรับลูกเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยสำหรับลูกเนี่ยไม่ว่าลูกจะอายุ60แล้วเนี่ยพ่อแม่อายุ90อย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็ยังเห็นลูกเป็นเด็ก มันไม่ใช่อย่างนั้นตลอดไงเพราะว่าอายุ60สเนี่ยคนอายุ60สิบมีโอ้โหมีวัยวุฒิแล้วนะทำไมมีคุณวุฒิด้วยบางคนเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีของพ่อแม่ที่เขาสามารถเห็นว่าลูกคนนี้น ะ, ะมีความสามารถมีแรต่างเนี่ยเขาจะต้องฟังนะพอฟังแล้วเหตุการณ์มันอาจจะพลิกผันได้นะสามารถที่จะชักชวนให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยมาเห็นธรรมะลึกซึ้งอะไรต่างๆขึ้นไปได้จุค่ะแว่มาพูดได้ชัดเจนเลยว่าในาการธรรมาระบรุนเนี่ย หรือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปไปอย่างเดียวคือเพื่อให้คนพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้า ป, ป, ประกาศธรรมะนะคุณเตือนใจไม่ใช่เพื่อล า, าบยศสรรเสริญเสียงสกุละอันนี้แน่นอน<ช>ไม่ใช่เพื่อให้คนมานับถือไม่ใช่เพื่อล้มล้างละที่อื่นให้สิ้นไปไม่ใช่เพื่อที่จะให้เขายกย่องว่าท่านเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้ทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะดับความทุกข์ให้สนิทนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาของโลกก็คือเรื่องของความโกรดความโลกความหลงนี่แหละ เราทําไงถึงจะแก้ปัญหานี้แล้วท่านผู้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออจิตใจเรามันเบาลงจิตใจเราอย่างน้อยอยังโ น, น้มไปในทางที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยช่วค่ะให้ทําต่อไปเราทําต่อไปเรื่อยๆคือมันเป็นการเดินทางอน ะ, ะไม่ใช่ว่าคุณเดินทางทีเดียวแล้วมันจะจบพรุ่งนี้ก็เดินต่อเมื่อเรื่องก็ทําต่อเนะมื่อเรื่องปีหน้าก็ทําต่ออีกทำไปเรื่อยๆเี่ ย, ยน้อยเราจะต้องถึงเราจะต้องไปได้อย่างนี้นะ ก็ชีวิตเราก็จะดีขึ้นจิตเราก็จะละเอียดขึ้นด้วยนะเจ้าคะ่ะแล้วก็เป็นสุขอยู่ได้ในทุกทุกเมื่อทีนี้สำหรับ ใ, ในท้ายรายการนี้นะเจ้าคะ่ะที่เรามีเวลาเหลืออยู่ประมาณสักโยมคิดว่าประมาณสัก5านาทีเจ้าค่ะโยมอยากจะข อ, อกราบน้ำรสการเรียนถามพระาอาจารย์พิบุตรอภิปุโนให้เป็นตัวอย่างแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าคะ่ะก็คือเรื่องของผลบุญเจ้าคะ่ะก็คือถ้าสมมติว่า เรานะเจ้าคะ่ะซึ่งเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นดีคิดดีคิดชอบอแล้วก็มีความอดทนมีความเมตตาแผ่เมตตาให้คนอื่นเนี่ยอยากขอความกรุณาพระอาจารย์ได้ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบว่าเขาจะผลบุญที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นนะเจ้าคะ่ะจะทำให้คนคนนั้นเนี่ย เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าเป็นที่รักของมนุษย<ช>์แล้วก็อามนุษย์ก็เป็นที่รักและบางทีถ้าเราปฏิบัติสูงไปเรื่อยๆก็เป็นที่รักของเทวดาอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะ<ช>นอกจากนั้นสิ่งที่เราเห็นในในเรื่องของตัวตนนี้เคยเห็นพระอาจารย์บอกว่าถ้าเผื่อปฏิบัติดีจริงๆนี่ไม่ต้องไปทำเบบีเฟสใช่ไมเจ้าค่ะไม่ต้องไปทำอะไร<ช>เลยหน้าตาจะดีผิวพรรณดีอันนี้อยากให้พระอาจารย์พูดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบนิดหนึ่งเจ้าค่ะเผื่อบ้านหลายๆท่านที่ ปฏิบัติดีแล้วจะได้ปฏิบตัติต่อไปและสําหรับฝ่ายที่โมโหอยู่เสมอนะเจ้าคะผิวพรรณจะเป็นยังไงจิตใจจะเป็นยังไงช่วยชวยเมตตาสักนิดหนึงเจ้าคะ่ะในเรื่องของการที่เรามีความเมตตานะเจ้าคะ่ะเราส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาออกไปเนี่ยคือคือเรามีเป้าหมายใหญ่คือเดินทางที่ไปสู่ความพ้นทุกข์ใช่ไหมถูกคะ่ะในการเดินทางไปเนี่ยจะมีสิ่งอะไรมากระทบกระทั่งใช่ไหมเราก็ให้มีความเมตตานะเมตตาในที่นี้เนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นโดยกว้างกว้างก่อนคือ บางทีเราจะช่วยให้คนอื่นไปด้วยกับเราได้ ค, คือระหว่างที่เราเดินทางไปอย่างเนี้ยคนนี้เขาก็หลงทางคนนั้นก็หลงทางมาถามทางเราเรามีเมตตาบอกให้ใช่ไนมว่าทํำชิตอย่างนี้นะสมมติคนเขามาด่าเราอย่างนี้เราฉันทําจิตอย่างนี้จ่มาฉันมีเมตตา เ, เขาเห็นว่าโอ้คนนี้ไม่โกรธเว้ยคนนี้มีเมตตาเว้ยเราอาจจะดึงคนนี้ไปด้วยได้เราอาจจะพาคนนี้ไปด้วยได้อันนี้คือประการที่โดยกว้างๆ นะโดยนัยะที่ละเอียดลงมาโดยเฉพาะเจาะจงลงมาที่คุณเตือใจพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าคนที่มีเมตตายอยู่เป็นประจำเนี่ยจะเป็นที่รักของมนุษย์ใช่ไหมเป็นที่รักของพวกมนุษย์เทวดาก็รักษานะผิวพันธุ์ก็ผุดผ่องผิวพันธุ์ผุดผ่องนะเจ่ ะ, ะบางคนเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมันเหมือนกับมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ แสงอรสงอรา่าเอามา <c oughs> จากจากตัวนะ <c oughs> <c oughs> โดยที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรก็รู้สึกงามอยู่จากข้างในเดี๋ยบางคนซื้อสีนแต่อย่างเงี้ยล้างหน้าเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเลยนะไม่ต้องแต่งอะไรอีกเรารู้สึกว่างามจากข้างใน <c oughs> แต่ถึงแม้จจะมีรูปรอยบ้างแต่ก็เป็นสิ่งที่งดงามจากภายในอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่ผิวพรรณผุดผ่อง <c oughs> แล้วก็ยังจะทําให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายาเวลาที่มีสิ่งใดมากระทบเนี่ยคนที่มีจิตเป็นเมตตาเนี่ย ก็จะเป็นทีลักษณะนี้แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่มีสิตพยาบาทอยู่เรื่อยๆเนี่ยผิวพันธ์จะหยาบกร้านนนี่เป็นทางวิทยาศาสตร์ที่เขาได้พิสูจน์กันมาแล้วฮนะอร์โมนอะไรต่างๆจะทํางานผิดปกตินะน้าย่อยอะไรต่างๆก็จะทํางานผิดปกตนะิผิวพันธุ์อะไรต่างๆก็จะผิดปกติไปเนื่องจากความที่เราโกรธแล้วก็ไอความโกรธนี้นอกจากทาลายตัวเองแล้วก็ยังทําลายคนอื่นด้วยจ ะ, วจะทําให้ระบบของร่างกายสูญเสียไปด้วยคนค่อข้างก็เสียไปหมด <OK. S 1> ค, คือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ตที่คนเขาไปทําเนี่ยเพราะเขาไม่รู้และเพราะเขายังถูกสิ่งที่เป็นไม่ดีครอบงําอยู่ถ้าเราช่วยเขาได้เราก็ช่วย <indu k S 1> แล้วช่วยไม่ได้เราก็ค่อยๆแก้ไขไปอย่างน้อย ต, ตัวเราต้องไม่โกรธอย่างน้อยตัวเราต้องตั้งอยู่ในความดีแล้วเวลาที่มันมีอะไรมากระทบเนี่ยถ้าเราช่วยเขาเนี่ยผ ล, ลบุญที่จะเกิดขึ้นนะคือว่าเวลาที่เราช่วยคนอื่นเนี่ยผ ล, ลบุญที่เกิดขึ้นก็คือว่าจิตเราเนี่ยก็จะ ก็เรียกว่ามีบริวาร น, นะ <Okay. S 2> บริวารในที่นี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะช่วยคนอื่นไปด้วยกับเราได้แต่บางทีบางคนเนี้ยเขาทําไม่ดีกับเราบางทีหลายหครั้งนะศัตรูคู่อาฆาตเนี่ย<า> ก, กลายมาเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันก็มีออ<า>ก็เพราะว่าความเมตตาด้วยเองเพราะว่าความที่เราเห็นแง่มุมบางประการคือคนที่จะเห็นแง่มุมในในความเกลียดแค้นเนี่ยนะ<า>แล้วกลายมาเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันเลยเนี่ยจิตของคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นจิตที่ มีกำลังมากเป็นจิตที่เขาเรียกว่ามีสมาธิว่างันเถอะแต่จะเป็นสมาธิในรูปแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะบางทีในเป็น<ม>สมาธิในรูปแบบของความคิดสมาธิในรูปแบบที่ไม่ใช่ต้องนั่งแรืเป็นสมาธิในรูปแบบของการงานการสื่อสาระอะไรต่างๆแต่ถ้ามีสมาธิอย่างตรงนั้นเนี่ยบางทีเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาสเปลี่ยนศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยให้เป็นเพื่อนรักเพื่อนตายกันได้เลยก็มีนะแล้วก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองนะมีหลายๆ คนในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันสาวกต่างๆเนี่ยที่จากกลายเป็นจากศัตรูขั่ฆ่าอะไรเงี้ยก็มาเป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือสนับสนุสนพระพุทธเจ้าของเราเจ้าค่ะนะแล้วก็ในกรณีนี้เราก็ให้ตั้งมั่นทําต่อไปอย่าท้อแท้ท้อถอยบางทีมันมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างเนี่ยให้เราเป็นช้างมาตังคนะให้มีความมั่นใจมั่นคงในคําสอพานพระเจ้าแล้วทำอย่างนี้ต่อไปเราก็จะเรียกว่าสบายใจละ่ะเจ้าค่ะ ผลบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับเราก็อย่างที่พระอาจารย์ภบุญอภิบุโนได้เมตตาที่จะาฝากท้ายไว้ในรายการธรรมบราุลณเช้าวันนี้แล้วนะคะสําหรับท่านที่ต้องการที่จะฝึกจิตแล้วก็เป็นคนที่จะมีใจสงบอยู่ได้ทุกเมื่อและถ้าหากท่านจะต้องเผชิญกับ เ, เหตุการณ์หรือว่าเจ้านายหรือคนใกล้เคียงที่อาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรต่างๆนั้นพระอาจารย์ภัยบุญอภิบุโนก็ได้เมตตา ยามไว้แล้วนะคะว่าเรานั้นจะต้องตอบกลับไปด้วยความอดทนด้วยความมีเมตตาแล้วก็โดยการที่ว่าไม่ไม่ไปผูกใจเจ็บหรืออะไรแต่ว่าทำดีตอบกลับไปนะคะอันนั้นก็จะเป็นบุญกุศลที่ทำให้เรานอกจาก นอกจากจะทําให้จิตสงบแล้วเราก็ยังจะมีหน้าตาผิวพรรณที่ผ่องใสอีกด้วยนะคะก็คิดว่าทุกๆุกท่านก็คงอยากจะมีหน้าตาผิวพรรณที่ผ่องใสมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่สมบูรณ์กันนะคะค่ะท่านผฟังค่าถึงเวลาที่รายการธรมรมบราบรุนในเช้าวันอาทิตย์ที่5ของเดือนนะคะเดือนมกราคมนี้เขาบอกว่ า, าเป็นเดือนที่หลายร้อยปีนะคะกว่าจะมา เหมือนอย่างนี้สักทีหนึ่งก็คือมี5อาทิตย์5จันทร์5อังคารนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเดือนพิเศษทีเดียวสำหรับปี 2,555 นะคะค่ะก็คงจะต้องขออัลาท่านผู้ฟังไปด้วยแล้วเพียงแค่นี้นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาหรือว่ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะประเด็นใดก็ตามเขียนถามกันมาได้เลยค่ะที่เข้ามาในเว็บไซต์ก็คือร .com นะคะ plthama. com ค่ะขอประทานโทษค่ะ p u r e นะคะ d h a M2 ตัวนะคะด m บค่ะแล้วก็ .com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายมาทางรายการธรรมารับอรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดงนะคะกรุงเทพ10400ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะดิฉันก็จะได้นําจดหมายของท่านมาตอบในรายการธรรมราบุรุนของเราในช่วงของสักกะชากันต่อไปนะคะสําหรับเช้าวันนี้เรามากราบน้ัสการขอบพระคุณอย่างสูงแด่พระอาจารย์ไปบุตรอภิปุโนแล้วก็กราบน้ำมการลาท่านเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพกรใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสําหรับในช่วงของการสักกะชาค่ ะ, อะขอกราบน้ัสศการลาและกราบขอบคุณเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขะเชิญผานสาธุเจ้าค่ะ